มีใครนับวันไหมเราเดินมา่อไ่วันละเมาก็ไม่ได้นับนะไม่ดูว่าวันเดินมากีไห่วันแล้วนะเดินวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ช่างหัวมันเนาะมีแต่มีแต่แตเออไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆชีวิตก็ เบาดีนะอย่างร่างกายคนเราจริงๆก็ต้องการการนอนหลับนะการกินอิ่มการขับถ่ายสะดวกนะถ้ามีสามอย่างนี้ก็ร่างกายก็ก็ค่อนข้างดีละอาจจะมีบ้างนะการสะสมโรคไฟไข้เจ็บนะการสะสมความแก่ชารา ไปเรื่อยๆนะอันนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าร่างกายเราได้พักผ่อนนะร่างกายเราได้กินอิ่มร่างกายมีการขับถ่ายของเสียออกไปได้เนี่ยนะร่างกายมันก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีเหมือนกันจิตใจเราเองก็เหมือนกันนะจิตใจเราเองก็ต้องการการพักผ่อนเหมือนกันนะ เราพักผ่อนสิ่งที่จะรบกวนการพักผ่อนของจิตใจคือกลางวันก็คือความคิดนะกลางคืนก็คือความฝันนะที่มันจะทำให้จิตใจมันพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเนะนี่ยแหละมันจะทำให้รบกวนจิตใจให้ว้าวุ่นให้ไม่สงบนะให้วุ่นวายนะ แต่ถ้าจิตใจนะมีเครื่องอยู่นะมีเครื่องละล้กรู้นะมีปัญญานะรู้จักปล่อยวางนะมันก็จะวางความคิดได้นะวางความฝันได้นะจิตใจก็ได้พักผ่อนนะวางอดีตได้นะวางอนาคตได้นะหรือแม้แต่ปัจจุบันก็เพียงแค่รู้นะ สังเกตเรานะจิตใจจิตใ จ, จมันไปหมกมุ่นเรื่องของอดีตบ่อยหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชอบนะหรือเรื่องที่ไม่ชอบเนาะบางทีก็จะไปถึงอดีตนะบางทีก็ไปอนาคตนะไปเรื่องวางแผนไปเรื่องนะธุระจัดการต่างๆนะเขาบอกว่าบางที คนอายุเยอะแล้วก็จะคิดเรื่องอดีตเยอะถ้าคนอายุน้อยก็จะคิดเรื่องอนาคตอนาคตเยอะนอันนี้ก็ต้องดูว่าใจหรอกใจมันไปหมกมุ่นเรื่องอดีตนะตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเป็นวัยรุ่นนะ่ะสมัยนทํางานนะหรือใจมันไปอนาคตนะ่ะอไปคิด เนี่กลับไปจากทุดดมจะทําอะไรนะบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องฝึกขาราเพศหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เราก็ดูนะเราก็ดูว่าใจมันไปตรงนั้นมากหรือเปล่าเนี่ยพยายามรู้ทันมันนะเราอาจจะห้ามมันไม่ได้แต่แต่เราอยากให้มันไปนานอย่าให้ไปไกลนะเรื่องอดีตก็ตามเรื่องอนาคตก็ตามนะถ้ามันไปไกลก็คือการปรุงแต่ง ่นันแหละการปรุงแต่งนะมันก็อดีตก็แก้ไม่ได้นะก็ทำอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังไม่ถึงพยายามเราอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะในปัจจุบันนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะ ดูกายเขานั่งดูกายเขาเดินนะดูกายเขาหายใจดูกายเขานะเนี่ยเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเราก็ดูเห็นเห็นรูปนะ่ะเห็นเป็นรูปอืมยนะรูปก็อันึเนี่ยนะจิตที่รู้รูปก็อันหนึง่งจิตที่มันเผลอไปคิดนะ่ะมันก็อันหนึง่งจิตที่รู้ทันว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดก็อันนึงอันเนี้ย เราดินเนี้ไปบ่อยนะไม่ว่าเราจะขณะที่เราเดินก็ดีขณะที่เราพักก็ดีนะนี่จิตมันก็ได้ว่าจะเดินสติเจริญปัญญาต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้แหละคือเราก็จะเห็นว่าอย่างที่เราสอนนะผู้ใดเห็นเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้งนะ ไม่งอนแง่คอนแคนนะเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือก็คือสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละน ะ, นะคือสภาวะของรูปก็ดีสภาวะของนามก็ดีนะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือเกิดขึ้นที่ปัจจุบันที่ขณะ น, นั้นนะ ไม่ใช่ว่าเป็นรูปที่เห็นอยู่ต่อหน้าเราแบบนี้นะนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีหรือเป็นนามก็ดีนะเกิดขึ้นเฉพาะหน้านะอย่างแจ่มแจ้งนะคือเห็นชัดนะเห็นชัดเจนในสภาวะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่งอนแง่นคอนแคนนะไม่งอนแง่นคอนแคนคือมีสมาธิมีสติตั้งมั่นนะ ไม่งอนแง่นคอนแคลนไปกับอาการเช่นนั้นนะเช่นเห็นมันคิดนะแต่เราไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเนหะ็นมันมีอารมณ์อย่างนั้นนะแต่ใจไม่ได้เข้าไปอยู่ในอารมณ์นะไม่ได้เข้าไปพอใจหรือไม่ได้เข้าไปไม่พอใจนะนี่เราเห็นอย่างไม่งอนแง่นคอนแคลนนะคือจิตใจตั้งมั่นนะจิตใจมั่นคงนะ ไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพ่อคูรอาการเช่นนั้นไว้นะ่ะคือสภาวะที่มันเป็นผู้ดูนะ่นะน่ะไม่ไม่ไหวไ ป, ไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนะี่ะอันนี้คือเห็นที่ปัจจุบันนะ่นะเห็นด้วยสตินะ่ะเราก็จะเห็นสภาวะต่างๆเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนะี่ยอ๋อมันจะเป็นตัวเจริญปัญญาขึ้นอ้อ สภาวะทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีนะมันก็รู้วแต่ดับไปทั้งนั้นแม้แต่สภาวะที่ถูกรู้ก็ดีหรือแม้แต่ตัวรู้เองก็ดีนะมันก็เกิดดับเหมือนกันนะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรู้ก็ดีหรือฝ่ายถูกรู้ก็ดีนะมัน้วนแต่เออ เกิดดับทั้งนั้นเลยนะเราก็ดูอ๋อนี่แหละเราก็จะเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายนะมันมีแต่สภาวะอาการที่เกิดขึ้นนะแล้วก็แล้วก็ดับไปเนะนะเราก็ดูอาการพวกนี้นะบ่อยๆนะพอเห็นบ่อยๆนะออพออาการมันหายไปเราก็เข้าใจแล้วนะ ใจจะหลงไปยึดอาการอะไรนะเราก็รู้ทันแล้วอ้อเราจะไปยึดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะมันก็ไม่ได้น ะ, นะเราก็เห็นแล้วนะก็เข้าใจแล้วไม่รู้ผู้แข่งับฝนได้ยินหรือเปล่าพี่น้องได้ยินไหมฝนก็ตกนะก็โชคดีนะเราก็ได้พักในศาลานะ ก็ไม่เปรียบผลกันนะ่นี่ะก็เป็นข้อดีของการพักที่วัดนะ <c oughs> ก็มีศาลามีห้องน้ำมีอาหารพอเพียงแต่บางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้พักในวัดบ้างก็ก็ดีอย่างนะได้ลองะจญภัยดูเป็นแบบไหนนะแต่ก็ชีวิตก็อย่างว่านะไปตาม ชีวิตเราเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยนะ่ะมันก็จะคือถ้าเรายอมรับเหตุปัจจัยได้นะมันก็มันก็มีอึดอัดมันก็เยือไดนะ้อย่างฝนตกนะถ้าเราพอมีที่หลบที่บังเราก็หลบเข้ามาเนะี่ยก็คือเหตุปัจจัยถ้าไม่มีที่หลบที่บังอะ่ะเราก็ยอมรับอะ่ะก็นั่งอยู่ในเต็นต์นั่งอยู่ในกดอะ่ะก็ยอมรับแบบนั้นไป เราเดินมีศาลาหลบฝนเรา ก, ก็หลบไม่มีศาลาเราก็เอาผ้าไฟชิดนะผ้าคุุมเต็นตนะ์มามาเดินนะคุมตัวนะขนาดที่เดินทางนี่ก็กีคือเหตุปัจจัยแบบนี้นะสิ่งทั้งหลายเนะี่ยถ้าเราเข้าใจเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะใครนอกที่มันเกิดขึ้นก็ดีนะยอมรับ เหตุปัจจัยภายนอกนะไม่ใช่ว่าคิดไปเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอกให้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไปทั้งหมดนะเช่นธรรมชาติแบบนี้นเราเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกนะฝนจะตกแดดจะออกนะจะร้อนจะหนาวนี่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะธรรมชาตินะแต่เราเองก็เปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายในของเราเนี่ยแหละนะเหตุปัจจัยภายในลึกๆจริงๆก็คือจิตใจนะ ตัวจิตใจถ้าเรายอมรับได้เนี่ยใจก็ไม่ทุกข์แล้วเศรนเหตุปัจจัยภายนอกที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเราเองนะก็อย่างที่ว่าเนะีนะ่ะหลบฝนบ้างนะนะหรือว่าหาผ้ามาคลุมบ้างนะหรือบางทีเราก็ไม่หลบนะเช่นแดดร้อนเราก็เดินไปเรื่อยเรื่อยบ้างถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์ได้ คือสิ่งทั้งหลายนะมันก็มีเหตุสองส่วนนั่นแหละเหตุข้างนอกกับเหตุข้างในนะเหตุข้างนอกจะเป็นอะไรเนี่ยบางทีเราก็กําหนดยากกําหนดไม่ได้ได้วยซ้ํำ น, นะแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้คือกาหนดเหตุข้างในของเราเนี่ยแหละว่าทําอย่างไรนะใจจะไม่เป็นทุกข์นะทําอย่างไรใจจะเข้าใจความจริงนะ เมื่อเข้าใจความจริงว่าเป็นไ ป, นปนตามเหตุตามปัจจัยนะใจก็ปล่อยวางได้ใจก็ยอมรับได้นะอันนี้คือคือเราก็อยู่แบบนี้นะอยู่ไปวันวันนะอยู่ไปเรื่อยๆนะตามเหตุตามปัจจัยเนาะนะถ้านะเราก็ลองเรียนรู้ดูใจของเราขณะที่กระทบกับเหตุปัจจัยข้างนอกที่แตกต่างกันนะนะบางครั้งก็ทำให้พอใจ บางทำบางครั้งก็ทำให้ไม่พอใจนะอลองดูว่าใจเราวันไหวไปกับมันมากน้อยขนาดไหนนะใจเราวันไหวไปกับมันนานหรือเปล่าแบบนี้เนาะทั้งสิ่งที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจนะให้เรารู้ทันนะอย่างเช่นเราเดินนะมีคนถวายน้ำอัดลมถวายน้ำหวานนะ เกิดความพอใจนะมันอยู่นานไหมนะรู้ทันมันไม่นะ <c oughs> เดินมาแดดร้อนร่างกายเหนื่อยนะสมมตนะิร่างกายมันเหนื่อยจิตใจไม่สบายนะเราลงไปติดกับอารมณ์ น, นั้นนานไหมนะสลัดมันออกได้ไหมแบนะียอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเราห้ามไม่ได้หรอกนะไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจ แต่สิ่งสำคัญคือว่าเรารู้ทันมันได้เร็วหรือเปล่านะรู้ทันมันด้วยความเป็นกลางหรือเปล่านี่นะเพราะถ้าเราไม่รู้ทันมันจะมันจะติดนานนะแล้วก็บางทีก็ติดแบบไม่รู้ตัวนะแต่เราก็สังเกตดูคนนีอมันก็จะสนุกในการเห็นอารมณ์นะที่มันเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่า ไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีนะแต่เห็นแล้วมันก็จะดับไปถ้าเห็นด้วยใจเป็นกลางนะมันก็จะดับไปให้เราเห็นนี่แหละอ๋อมันดับไปตอนที่เกิดอาจจะไม่เห็นแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็ดับไปให้เห็นได้ <c oughs> อันเนี้ยนี้เราก็ฝึกดูแบบแนบบ่อยๆเนาะอาศัยสถานการณ์ต่างๆนะที่เราที่เราเจอในแต่ละวันนี่แหละนะ เป็นครูจริงๆนะแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์แต่ละวันเนี่ยก็ถ้าเรามองดูดีๆนะล้วนเป็นครูสอนสภาวธรรมให้กับเราทั้งนั้นเลยนะถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะมีครูเยอะมากนะธรรมชาตินะเราก็น้อมเอามาเป็นครูสอนจิตใจเราได้นะคนในคณะที่เดินทางกับเราเองนะ ก็เป็นครูสอนเราได้นะหรือคนที่เราพบเจอในระหว่างทางน่งที่เราผ่านที่เราพักเองนะก็ร้วนเป็นครูสอนเราได้นะอันนียคือถ้าเรามองดูดีดนะจะมีครูที่สอนนะสอนด้านถูกก็มีนะด้านไม่ถูกก็มีนะอ่า ด้านถูกเราก็เออจดจําเรียนรู้ได้ด้านที่ไม่ถูกเองนะบางทีก็ดีกว่าด้านถูกด้วยซ้านะมันทําให้เราเห็นโอ้อพอทําไม่ถูกทําไม่ดีนะเออมันเกิดผลแบบนี้นะมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์แบบนี้นะก็ยิ่งดีเลยนะเอ๋อเห็นทุกขนะ์เห็นโทษของการทําผิดนะของการทําไม่ดีเนะี่ยชัดขึ้นนะ นี่ก็คือถ้ามองดีๆเนะ่ะมันก็ดีมากเลยนะเนี่ยคือไม่มีอะไรเสียนะมีแต่ได้ตนะลอดเลยในการเดินทางเนะาะก็พยายามมองให้เป็นนะมองเป็นการเรียนรู้นะเราพยายามทำตัวเป็นเหมือนนักเรียนนะเป็นผู้เรียนรู้นะสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอนะ เรียนรู้จากคนอื่นไปในตัวด้วยแบบนี้นะแล้วถ้าเราเป็นนักเรียนแบบนี้ไปเรื่อยนะเราก็จะเป็นผู้ผู้ที่มีมีความรู้นะความรู้มากขึ้นนะแต่ความรู้ในทางโลกเนะี่ยมันเป็นความรู้ที่มันก็ดีอยู่นะแต่ความรู้ที่มันสูงขึ้นคือตัวปัญญานะตัวปัญญาที่ ทำให้เราเข้าใจความรู้ในทางโลกเนะี่ยมันเหมือนข้อมูลเนาะมันเหมือนข้อมูลที่เราสะสมเพื่อเอาไปใช้เอาไว้พูดนะเอาไว้อะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้มันมีความรู้ก็จริงนะแต่ความรู้ก็อย่างที่ว่าบางทีความรู้เยอะนะแต่บางทีถ้าเจอความทุกข์เจอปัญหาถ้าเราแก้ไม่ได้เนะี่ยมันก็ไม่ ประโยชน์น้อยนะแต่บางอย่างก็รู้ไว้ก็ดีนะแต่ความรู้ที่เราต้องการสะสมให้มากขึ้นจริงๆก็คือตัวปัญญาคือเข้าใจสภาวะทั้งหลายนะว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรนะมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรนะมันเกิดเหตุข้างนอกแบบนี้มันกระทบต่อเหตุข้างในอย่างไรอยู่นะี้เนาะเราก็เห็นอ้อเนะี่ย ข้างนอกเป็นแบบนี้นะส่งผลต่อกายแบบนี้ส่งผลต่อใจแบบนี้นะเออที่จริงมันก็เป็นของมันเองแบบนั้นนะเออไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นหรือไม่เป็นนะแต่มันเป็นของมันเองเนะี้ยเราก็ดูมันเนี่ยคือคือความเข้าใจนะตัวปัญญาจริงก็คือความเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วมันก็ยอมรับได้นะ่ะเอยอมรับได้ ใจก็เป็นกลางใจก็ปล่อยวางได้นะักก็ปากไว้ครับ